จะไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่มีที่ฟังแล้วคือถีนะมิตรกิเลสเด้อพี่ ละ อrahant ก็ไม่มีลองคิดดูไม่ปราหันเดี๋ยวไปนั่ง คือความง่ายที่สุดคือเพราะว่าท่านไม่มีอวิชชาและความพร้อม มิเลยว่าอรหันต์ความเป็นอรหันต์นั้นเป็นตัวอุดหนุนก็ได้มาก่อนฌาน อาจจะสังสมมาน้อยหน่อยสักครองสังสมมามาก อันที่เข้าใจธรรมะรู้ธรรมะว่าไอ้เรื่องนั้นคืออย่างไรเรื่องนี้คืออย่างไร แล้วก็พระอรหันต์ทําอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรแล้วญาติหลานทําอะไรอ่ะเป็นหลานแล้วทําอะไรได้บ้างไม่ต้องทําอะไรบ้างญาติว่า การของพระอรหันต์เนี่ยมีอยู่ 2 ด้าน 1 การแสวงหาธรรมะการที่เกี่ยว 2 ส่วนส่วนหนึ่ง อำนวยประโยชน์แก่ตนกับการที่เกี่ยวกับว่านี่เราทําอย่าง ที่แม้ว่าโดยปริยายว่าทําเพื่อตนก็คนอื่นก็ได้ทําเพื่อคนอื่นตนก็ได้ไอ้หมอมา แล้วก็ต้องอยู่ในเสนาสนะปัจจัยดูแลสัตว์ชีวรดูแลอนาบริเวณสถาน แบบ 1 ก็คือท่านโดยบอกกล่าวหาความรู้เพื่อ ที่ความจริงเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นแต่เรื่องเจตนาตั้งเจตนาแต่ชีวิตของลาหลา <c oughs> อันนั้นคือการแนะนําลําสอนโดยตรงคนอื่นก็เอาอย่างอ่ะไอ้คนเอาอย่างทีก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเอาอย่าง แบบแบบอย่างแก่คนรอบข้างแก่บุตรแก่ธิดาแบบอย่างแก่คนรอบข้างๆเนี่ยมันมี 2 อย่าง นะว่าบางคนเนี่ยเค้าก็อยากฟังให้สอนหน้าอะไรต่ออะไรแต่บางคนพออ้ามีมีเฉพาะคนในศาสนา แต่มีคําสอนชนิดหนึ่งที่อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่หมูหมาเนี่ยไม่มีใครเกลียด เสร็จแล้วๆไปนี่แล้วบ้างพูดคําหยาบบ้างมาเลยพูดร้าวเสียด เปรตตัวกินไข่บางคนก็ชอบทั้งตัวทั้งไข่ชอบทั้งปลาไหลชอบทั้งน้ำแกงก็ต้องจริงๆมา มันมีผลจริงๆโบราณก็ได้พูดกันมามากแล้วและถ้าเขาเชื่อการแสดงออกเนี่ยเวที มีแพงจริงๆผมอยากจะให้ท่านนึกเทียบบรรยากาศว่าเมื่อท่านเข้าไปกราบพระกราบเจ้าที่ท่านปฏิบัติตัวดีเนี่ยนะครับเราจะรู้สึก อย่างน้อยก็เกิดความรู้สึกเลื่อมใสเกิดความรู้สึกว่า การเข้าฌานของท่านก็มีส่วน 2 อย่างมีเช่นเดียวกันเอ่อผมแบ่งเป็นข้อๆโดย วิหาร database เครื่องอยู่เครื่องอยู่เป็นสุขแต่ถ้าเป็นทิฏฐธัมม์สุขวิหารทิฏฐธัมม์นั้นแปลว่าปัจจุบันความสุขเนี่ยไม่มีอดีตอดีตหมายถึงอดีตไชาตินะแล้วก็ไม่ แสวงหาเพื่อความสุขในอนาคตจะๆพวกเราๆสุขๆเอ่อพอมาถึงตรงเอพระอรหันต์นี่ การต้องการความสุขไม่เป็นกิเลสหรือหรือเป็นความขี้ขาดใช่หรือไม่ก็เลยความ ตัวอภัยความป้องกันภัยความต้องการความสุขนั้น 2 คืออะไร 2 ทั้งทั้ง 2 นี่ก็คือการสุขที่เป็นกิเลสกับไม่ใช่กิเลสมันแบ่งออกอย่างอย่างนี้และในทาง แล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะแสดงความต้องการโดยสิ้นเชิงไม่ใช่มีอยอยอย 2 อย่างละ 3 มีอย่างซี่ ภาท่านดั่งเป็นอย่างๆๆหลายสิบสุก 2 อย่างต้องการได้กิเลสกับต้องการไม่ใช่ด้วยกิเลสฉะนั้นที่ถูก ชาติจะเป็นสุขที่มีกิเลสและต้องการด้วยกิเลสต้องเป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าอย่างขึ้นไปขึ้นไปขึ้น ต้องเป็นความสุขที่ไม่มีกิเลสและครับเอาอ้าตาจะเทศน่ะกิเลสล้าอหานนี่ <ม. S 1> อะไรก็ไม่ได้แยกจิตนะนี่เขาแยกจิตกระเระแยกอย่างนี้ที เป็นนาจินหาความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ติดอยู่วัดนี้ก็เป็น จนถึงบรมสุขเป็นที่สุดจริงว่าเรา คำว่าธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขหรือปาสุกวิหารธรรมพูดกันอยู่ในจํานวน และแม้แต่เรื่องทางอาจารความประพฤติการอยู่ป่าท่านก็กล่าวว่าเป็นภาสุวิหารธรรมจึงเอา ทำเครื่องอยู่เป็นสุขของท่านที่มีสูงมี ทำไมไม่เข้าผลสมาบัติใช้ผลนี้มาดับเป็น ก็เป็นความสุขการบริหารร่างกายนะหรืออ้าวการเข้าไปในถ้ําที่นี่ๆก็เหมือนๆอย่าง ประการที่ 2 ก็คือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนคือผู้เกิดภายหลังบุคคลผู้บรรดาอันเตวาสิกสัตติวิหาริกหรือสาคมจารี เอาเรามากกว่าในร่างของพรรษาแต่ก็มุ่งว่าเออจะได้เป็นแบบ แต่พระท่านวัดตั้งไปดูทีปราดก็กําลังตัดเหล็กหยิงเนี่ยผม ลงจากกุฏินะคือเค้าเรียกว่าอะไรขยับปากสอดผ้าบังศีรษะออกแล้วก็นี่ให้เรา การเป็นเป็นประโยชน์แก่ศาสนาเนี่ยคือท่านจะมาคิดว่าจะ ก็จะทําให้คนอื่นมีขยันแต่ว่าที่แน่ๆที่ผมเห็นขาตาวันนั้นก็คือว่า เดี๋ยวล่ะคนนี้ก็เอทำเจ้าอาสมัวแต่นั่งข้าวชาใน สำหรับอนุเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยก็หมายความว่าเวลาที่ ฌานชัยฤทธิ์เป็นเครื่องช่วยก็จะช่วยได้มากคือไอ้ทรมานตัวนี้ไม่ใช่ไปแสดง ข้อความต่อไปนะครับในหัวข้อที่ 5 นะผม 1 จากพระไตรปิฎกที่ชื่อว่าธัมมสังคณีอภิกรณ์พระไตรปิฎกเล่ม 34 ไม่ไม่ใช่อากุศลกุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กรรมวิบัติคือไม่ใช่ผลของกรรมฉะนั้นเป็นกิริยา ภายในปัญญาสิทธิ์ทางส่วนตัวของท่านน่ะเป็นแต่เครื่องยังบรรลุปฐมฌานบรรลุทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานที่ ในหมวดบาลยายของท่านในในอภิธรรมปฏิธี 1 5 เป็นต้นแล้วก็บรรยายถึงอารมณ์ของฌานเปเป 3 ส่วนที่ ทำว่าสงัดเหน็บแลวะละพระอรหันต์นั้นยังมีกิเลสตกามอยู่เข้าฌาน ไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสแต่บทภัลลยายเรื่องการต่อสู้ <ๆ. S 2> วันอารมณ์เนี่ยก็เป็นอารมณ์อย่างที่ชัยชัยกันทั่วไปท่าน เพียงอยู่เป็นสุขในทิฏฐิธรรมคือในอัตภาพนี้เท่า ให้เกิดขึ้นในเวลายังเป็นปุถุชนมีอยู่ตราบใดที่พระกีนาโสปยังไม่เนี่ยเป็นกุศล เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วมาเข้าฌานที่เคยได้ตอนได้เป็นปุถุชนแต่มาที่ 1 เป็นกุศลตอนหลังมา เมื่อมีหนึ่งนั้นอีกก็ไม่เป็นกุศลแล้วเป็นกิริยาเพราะว่าแต่สมาบัติที่พระกีฬาภพนั้นให้บังเกิดขึ้นในเวลาที่ สามารถบัดที่เป็นกุศลกับกิริยาถ้าว่าคนผู้เป็นพระอรหันต์คืน มีความอยากความเบื่ออย่างไรแล้วก็ตอนหลังมาเข้าฌานอีกเมื่อเป็นลหันธ์แล้วฌานเนี่ยต่างรู้มั้ยรู้แล้วจุดต่าง นอกฌานที่มีตอฌานส่วนเมื่อไม่ได้สุดตอฌานทัศนคติตอฌานนั้นไม่บริสุทธิ์นะบางอย่างเนี่ยเจ้าตัวฉันนี่ก็ดีแล้วถูก เข้าใจฌานนั้นดีแล้วเคยนึกว่าฌานนี้เป็นตรณะได้ไม่เคยนึกว่าฌานนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมาถึงนี่โอ้โหไม่มี ไม่มีสาระอะไรไอ้ความพองลงกลายเป็นเรื่องที่หน้าสมเพชตัวหน้าสมเพชความรู้สึกนึกคิดของตัวอ่าคล้ายๆอย่าง โดยประเภททหารเหมือนกันนะครับปฐมอาจารย์กิริยาจนกระทั่งถึงปัญจอาจารย์กิริยาแล้วมีองค์ก็เหมือนกันคราวที่แล้วมีผู้ถาม ถ้าเราได้ยินคําว่ายาน 16 จาน 16 ที่จะทํามันเริ่มจาก 1 ขึ้นไปถึงวิภพแล้วคน นั้นใครจะมีพื้นฐานทางฌานมาหรือไม่เมื่อมาทําวิปัสสนาก็ต้องเริ่ม 1 ถึง 16 มีวิปัสสนาฌาน 16 9 ชั้น 16 เนี่ยใครสูง 16 นั้นสูงกว่าฌานนั้นเป็นบาด เป็นของดีสูงสุดที่คู่โลกมาตลอดของดีสูงสุดที่คู่โลกมาตลอดก่อนที่ มีคนถามแล้วผมก็อยากจะเล่าให้ 5,000 ปีใช่หรือไม่ผมก็บอก แล้วจะทําอะไรก็จะทําอะไรได้เอกะทั้งแลผม 3 ผมว่ากายคอมตีนี่มันเดี๋ยวๆแล้วถ้าปาศนาคุเสื่อมเนี่ย ฟังว่าไม่รู้ชาวธรรมะที่ไหนมาพูดภาษาที่ดกเสือหมดจำไม่ได้ไม่ มันต้องคิดถ้าเราอยู่ในเนี่ยแต่ 5,000 ปีนี่ 5,000 ปีนี่ 5,000 ปีเนี่ยแล้วพวกคนจากๆเพื่อนอย่างอินเดีย เย็นนี้อินเดียแล้วมาอยู่ดาวนี้ปรารถนาพุทธเกิดในโลกมนุษย์เกิดจากโลกมนุษย์แต่ว่าบนเที่ยวโลกยังอยู่เพราะว่าทุกสิ่งทุก ก็อาจจะลงมาอยู่ที่นี่ได้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเหมือนในเดี๋ยวนี้มีคนต่อตาม<น> ไม่ไม่ใช่ของง่ายๆครับมองดูย้อนไปยันมาแล้วก็เชื่อไม กวนจะทําเราพักกัน 15 249 ซึ่ง